ท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเสนอธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธทาจารย์จ้าอาวาสวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถระสมาคมและที่สําคัญยังเป็นประธานมูลนิธิพุทธภาวนาวิ ช, ชาธรรมกายหรือสถาบันพุทธภาวนาวิ ช, ชาธรรมกายซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดรา ช, ชบุรีซึ่งภายหลังก่อตั้งเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในปัจจุบันนี้วันนี้อาตมาภาพ ก็จะได้นำธรรมบรรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังซึ่งเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อชักนำให้สาธุชนมุ่งที่จะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมมาช่วยกันปฏิบัติพระาศาสนาร่วมกันทั้งพระภิกษุสามเณรรวมถึงอุบาสกอุบาสิกาจึงขอเชิญท่านสาธุชน มาตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมเพียงกันณบัดนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายในโอกาสวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางระาศาสนา สำหรับคนโดยทั่วไปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มักจะมีปัญหาว่าคนที่ครองเรือนหรือขรหัตครวาดที่ดำเนินชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำโดยการเป็นข้าราชการบ้าง เป็นพ่อค้าพาณิชย์บ้างหรือทำงานอื่นๆจะปฏิบัติทำได้อย่างไรหรือจะปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างไรจึงควรที่จะได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นง่ายๆว่าคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็คือข้อปฏิบัติ ที่เป็นธรรมชาติสำหรับทุกคนทุกชีวิตนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นไกลขึ้นไปแต่มีขั้นตอนในการปฏิบัติมีขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสำหรับคนโดยทั่วทั่วไปนั้นควรที่จะได้มุ่งปฏิบัติในขั้นต้นก่อน การปฏิบัตินั่นก็ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมานั่งกรรมฐานแต่เพียงอย่างเดียวหรือจะต้องปลีกตัวออกไปอยู่ตามป่าตามเขาเพียงอย่างเดียวอยู่ในสังคมธรรมดานี่แหละแต่ว่ายึดหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไว้บ้างเพื่อที่จะได้มีความสุข ร่มเย็นในใจในการดำเนินชีวิตคนเราทุกคนก็มีความปรารถนาเหมือนกันหมดจะแตกต่างกันบ้างก็แตกต่างกันด้วยวัยแตกต่างกันด้วยความรู้สึกที่เป็นครั้งเป็นคราวแต่ว่าพื้นฐานเดิมนั้นเหมือนกันนั่นก็คือ ต้องการที่จะให้มีความสุขต้องการที่จะให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและอีกอย่างหนึ่งซึ่งมักจะไม่ค่อยได้คิดแต่เมื่ออายุเข้าวัยชาราทาอยู่ไปถึงได้ก็จะนึกถึงความสงบคือความสงบใจสบายใจเมื่อ พื้นฐานมีความต้องการอย่างนี้ก็ควรที่จะหาหนทางที่จะปฏิบัติให้ได้ว่าเราต้องการความสุขนั้นจะทำอย่างไรจึงจะมีความสุขถ้าจะพูดอย่างชาวโลกธรรมดาทั่วๆไปคนที่ยังไม่มีเงิน ก่อนนึกว่าเมื่อมีเงินแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าไปถามคนที่มีเงินว่ามีเงินแล้วมีความสุขหรือไม่ก็อาจจะได้คำตอบว่ายังไม่มีความสุขเหมือนกับที่ต้องการคือต้องการมีเงินสักพันบาทหนึ่งในเมื่อยังไม่มีเงินเลยเมื่อมีเงินไปถึง0ันบาทแล้ว ก็ยังไม่เห็นมีความสุขมากเท่าไรก็อยากจะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆความต้องการไม่สิ้นสุดทางพระท่านสอนว่าความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดนั่นแหละที่เป็นเหตุให้เราไม่พบกับความสุขสิ่งที่เราจะพบเนื่องจากความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดนั่น ที่จริงก็คือความทุกข์แต่คนเราทั่วๆไปก็มีความต้องการอยู่เป็นประจำในเบื้องแรกจรึงควรที่จะได้กำหนดในใจของแต่ละคนว่าเราต้องพยายามที่จะทำความต้องการของเราให้อยู่ในความอยู่ในขอบเขตไม่ให้เกินไปมีความเข้าใจ ในชีวิตของคนอย่าเห็นความสูงความต่ำความมีศักดิ์ศรีความมีเงินว่าเป็นเรื่องสําคัญหรือเป็นฐานแห่งความสุขจนเกินไปไม่ใช่ว่าไม่เห็นความสําคัญเลยแต่อย่าเห็นจนเกินไปถ้าเห็นจนเกินไปวันนั้นคือฐานแห่งความสุขแล้วก็จะทําให้ มีความรู้สึกว่าจะต้องสอสแสวงหาสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ความทุกข์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความไม่เป็นสุขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเราจำกัดขอบเขตไว้บ้างความรู้สึกในใจที่มีความสุขก็จะเกิดขึ้นเทียน้อยเทียน้อยนี่พูดในแง่ของความรู้สึกของคนโดยทั่วไป ว่าเราต้องการที่จะให้มีความสุขแต่ว่าเราไม่มีความสุขตามที่ต้องการนั้นเพราะเหตุอะไรก็พอจะมองเห็นข้าวตามที่ได้กล่าวมาแล้วประการแรกจึงควรที่จะได้ <c oughs> ตั้งใจคือตั้งความรู้สึกของตัวให้ดีทำความรู้สึกกับตนเองให้ถูกต้อง เสียก่อนว่าเราต้องการความสุขเมื่อตั้งความรู้สึกให้ถูกต้องแล้วเราก็พยายามที่จะปฏิบัติในประการแรกก็คือจำกัดขอบเขตของความต้องการให้อยู่ในขอบเขตพอดีพองามอย่าต้องการเกินไปอย่างที่พูดกันว่าต้องการเกินตัว ต้องการเกินฐานะมีความต้องการเกินกว่าความเป็นความอยู่ซึ่งนั่นก็คือเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นคือจะทําให้เราเกิดไม่เกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่สุขใจจะไปไหนมาไหนก็มีความทุกข์อยู่ในใจเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่าเรามีเงินแล้วจะมีความสุข เรามีรถยนต์แล้วเราจะมีความสุขเรามีโน่นมีนี่เราจะมีความสุขนั่นอยู่ที่ความต้องการของเราเป็นสำคัญจึงต้องมองดูความต้องการของเราทางพระท่านเรียกว่าตัณหาคือความปรารถนาต้องการโดยประการต่างๆนั่นเองเราต้องเข้าใจในการที่จะจํากัดขอบเขต โดยการนึกง่ายๆไม่ใช่ว่ามุ่งแต่จะไปนั่งกรรมฐานแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นก็ควรจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงอย่างธรรมดาโดยทั่วไปก็ควรจะนึกอย่างธรรมดาสามัญ น, นี่แหละแต่อย่านึกว่าการทำใจให้สงบหรือปฏิบัติในขั้นกลางและขั้นสูงนั่นไม่มีความจำเป็นหรือไม่สำคัญ ความจําเป็นหรือความสำคัญในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนในขั้นกลางและขั้นสูงนั้นมีอยู่แต่ว่าคนธรรมดาโดยทั่วๆ่วไปก็ควรที่จะนึกถึงหลักที่เราจะปฏิบัติได้นี้ยกเอาเรื่องของความสุขขึ้นมาเป็นตัวอย่างความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก็เหมือนกัน เราทุกคนก็ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนไว้ว่าทำอย่างไรเราจรึงจเรจริญจึงจะเจริญก้าวหน้าถ้าหากว่าเราคลองเรือนคือเป็นครวญมีย่าวมีเรือนก็จะต้องมีหลักธรรมเข้ามาเป็นข้อปฏิบัติในจิตในใจหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ โดยมากเรามักจะนึกว่าเป็นคำบาลีบ้างเป็นคำเก่าๆบ้างแท้ที่จริงคำบาลีหรือคาเก่าๆก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละแต่บางทีเมื่อเราไม่เข้าใจคำบาลีไปฟังข้าวก็เห็นเป็นเรื่องยากถ้าแปลออกมาเป็นภาษาธรรมดาปัจจุบันที่เราจะทำได้เราก็จะเข้าใจกันยกตัวอย่างเช่น ทรงสอนไว้ว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชานี่เป็นคำเก่าถ้าหากว่าเราจะมาทำความเข้าใจกว้างๆ ว, ว่าชีวิตของเราถ้าหากว่าจะให้เดินไปอย่างไม่มีอุปสรรคมากนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีเสียเราต้องทำในสิ่งที่ดีให้มากาไว้า แต่ไม่ใช่หมายความว่าคนเราจะสามารถทำความดีได้ร้อยเปอร์เซนต์ในทันทีทันใดต้องค่อยๆทำค่อยๆไปโดยปกตินั่นเราทำสิ่งที่ไม่ดีพูดสิ่งที่ไม่ดีคิดสิ่งที่ไม่ดีมากอยู่แล้วเราก็ต้องพยายามที่จะหาโอกาสหาทางให้ตนเองว่าเราจะต้องคิดสิ่งที่ดีที่งาม ต้องพูดสิ่งที่ดีที่งามและต้องทําสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกต้องให้เพิ่มจํานวนปริมาณมากขึ้นอย่าให้ลดน้อยลงไปเพียงเท่านี้แหละเราก็พอจะอยู่ได้ไม่ลําบากนักให้การทําความดีนั้นเพิมเพิ่ ม, เ, มเพิ่มขึ้นไปทีละนิดไม่ใช่ว่าให้ความดีเกิดขึ้นมาในทันทีทันใดเหมือนกับการสอนเด็กให้รู้ จากการเรียนการเขียนการอ่านก็ต้องค่อยๆสอนไปไม่ใช่ว่าสอนบรรเดียวแล้วก็รู้ไปหมดสอนก็ไก่ขอไข่ก็ต้องสอนไปตามลำดับให้รู้จักอักษรรู้จักสะัะรู้จักผสมตัวไปเทียบเล็กเทียน้อยแล้วก็ผลสุดท้ายก็เกิดเป็นความรู้อย่างท่านที่อ่านหนังสือเข้าใจในภาษาไทยกันโดยทั่วๆไป อาจจะถามตนเองว่าทำไมถึงอ่านได้อย่างนี้อาจจะตอบไม่ได้แต่แท้ที่จริงนั้นก็เกิดมาจากการที่ได้สะสมความรู้เรื่องหนังสือการเขียนการอ่านมาทีละน้อยทีละน้อยตั้งแต่อายุน้อยๆก็เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งอ่านหนังสือแล้วเข้าใจโดยไม่รู้ตัวเองว่าที่แรกต้องผสมตัวกอไก่ขอไข่มาก่อน ต้องอ่านสระมาก่อนยากแสนยากแม้แต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบนี่ก็นับหลายครั้งหลายหนกว่าจะได้นี่เป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องธรรมดาแม่เรื่องธรรมดาอย่างนี้แหละถ้าถามตัวเราเองเวลาอ่านหนังสือออกเราก็มักจะตอบไม่ได้หรือนึกไม่ถึงการทำความดีทั่วๆวไปก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้ว่าหลักของความดีเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ ค่อยๆปฏิบัติไปเพิ่มปริมาณไปเช่นพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามว่าไม่คบคนพาลซึ่งเป็นคำของพระแท้ที่จริงก็คือคนไม่ดีคนไหนที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์เราอย่าไปคบเข้าอย่าไปมาหาสู่ให้มากจนเกินไปแม้จะเเป็นเพื่อนฝูงพวกพ้องเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยง ให้การไปมาหาสู่การคบหาสมาคมมีปริมาณจำนวนน้อยลงไปลดลงไปลดลงไปไม่ใช่ว่าเลิกละทีเดียวเพราะว่าเพื่อนไม่ดีแล้วก็ตัดเพื่อนตัดผงทันทีค่อยๆละไปแม้ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้คบบัณฑิตเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าคนอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นคนที่จะช่วยชีวิตของเราให้ดี นำชีวิตของเราไปสู่ความเจริญเราดูยาเอาความพอใจของตอนเองเป็นหลักเอาหลักความจริงเป็นหลักเราก็รู้ทันทีว่าคนทําอย่างนี้ไม่ดีคนพูดอย่างนี้ไม่ดีคําพูดที่ดีกับคําพูดที่ไม่ดีก็รู้กันเข้าใจกันทั้งนั้นเราก็หลีกเลี่ยงถ้าคนที่มีการทําการพูดที่ไม่ดีอย่างนั้นและเราก็เคาะาสมาคมกับคน ที่มีการทําดีมีการพูดดีและมีความคิดดีนี่เป็นธรรมะทั่วๆั่วไปหรือเป็นหลักคำสอนทั่วๆัวไปถ้าหากว่าคนได้ประพฤติปฏิบัติพยายามนึกอยู่เสมอจะไปไหนมาไหนก็ไม่เป็นปัญหาแก่ตนเองไม่เป็นปัญหาแก่เพื่อนฝูงไม่เป็นปัญหาแก่สังคมที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่ค่คยได้นึกไม่่อยได้คิดกัน เมื่อจิตใจเราน้อมไปในทางที่ดีมากขึ้นการที่จะส่อสแสวงหาการปฏิบัติตามคําสอนในขั้นกลางก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่มุ่งไปในทางการปฏิบัติธรรมก็เนื่องมาจากการสั่งสมเทเล็กเท่าน้อยถ้าหากว่าไม่ได้สั่งสมมาทีเล็กเท่าน้อยก็จะทําให้เกิด ความรู้สึกในภายหลังได้ว่าเป็นอย่างไรซึ่งก็มองไม่เห็นข้าวเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือไปปฏิบัติผิดผิดถูกๆูไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้เพราะเราไม่ได้ปูพื้นฐานให้แก่ตนเองเขาไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นอยู่อย่างธรรมดาสามัญโดยทั่วๆั่วไป ก็ควรที่จะบอกแก่ตนเองว่าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ขัดกับการเป็นการอยู่ของเราเพราะเราต้องการความสุขเราต้องการความเจริญก้าวหน้าชีวิตของเราต้องการอย่างนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์ที่จะให้คนเรามีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกัน เท่าที่กล่าวมานี้เป็นกล่าวเป็นการกล่าวถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั่วทั่วไปซึ่งเป็นการสอนง่ายๆซึ่งเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันที่สาธุชนรับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นธรรมบรรยายยของพระเดชพระคุณเจ้าประคุณหลวงพ่อสมเด็จ พระพุทธอาจารย์เจ้าอาวาสพัะสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพประทานสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัด ร, ราชบุรีสำหรับเวลาที่เหลือต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามใครจะขอเชิญชวนสาธุชนญาติโยมมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติรม ตามคำสอนของหลวงพ่อพระภาวนาโคสุนเทระซึ่งเป็นธรรมะเบื้องต้นดังต่อไปนี้เมื่อท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลเพื่อให้กายวาจาสงบและบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจชาระจิตใจให้สะอาดโดยการเจริญภาวนาธรรมต่อไปการเจริญภาวนาธรรมนี้แบ่งออกเป็นสองขั้น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 ควรแก่งานวิปัสสนาให้เกิดวิชาและปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมสามารถกำจัดวิชาอันเป็นมูลรากฝ่ายเกิดหรือรากเง้าแห่งตันหาอุปาทานและทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา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 จะขอเสียสละเวลาเพียงชั่วครู่นี้เพื่อปฏิบัติกิจอันมีค่าสูงที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบรอบตัวเราไม่ว่าจ ะ, ะร้ายแรงเพียงใดเราก็จะไม่สนใจวันไหวหรือยินดียินร้ายใดใดทั้งสิ้นจะยอมเสียสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมอันวิเศษสุดนี้ทีเดียว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 ได้ดวงตาเห็นธรรมรอมด้วยขอให้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองสัพะภัยยันตรายอย่าได้มากล่ำกลายขัดขวางการเจริญทำภาวนาของเราเมื่อตั้งใจมั่นคงดีแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเบาๆและกำหนดบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันบริกรรมนิมิต ให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงแก้วกลมใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจียรไนแล้วไม่มีขนแมวโตเท่าแก้วตาคืนนึกให้เห็นด้วยใจหญิงกําหนดขึ้นที่ปากช่องจมูกซ้ายชายกําหนดที่ปากช่องจมูกขวาจายของเราที่ยืดไปยืดมาแวดไปแวดมาให้เข้าไปอยู่เสียที่ในบริกรรมลิมิตที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา ดวงโตเท่าแกวตาจุดศูนย์กลางข้างในโตทำเมล็ดพุทธรักษาสายสะอาดเหมือนกระจกสองเงาหน้าแล้วให้บริการภาวนาคือท่องในใจเพื่อประคองบริการนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรังสามครั้งพร้อมได้ตรึกนึกถึงดวงทิศสายใจอยู่ในกลางดวงทิศสายน่ฐานที่หนึ่ง เมื่อเห็นเครื่องหมายสายสว่างชัดดีพอสมควรแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นไปหยุดอยู่ที่หัวตาด้านไหนนิฐานที่สองยิงให้เลื่อนไปอยู่ทางหัวตาข้างซ้ายชายข้างขวาและบริกรรมภาวนาประคองนิมิตนั้นไว้ว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอระหังสามครั้ง แล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นช้าๆไปหยุดที่กึ่งกลางกัคสิสะข้างในนิฐานที่สามพร้อมด้วยบริกรรมภาวนาวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัารางกํากับไว้สามครั้งทีนี้จงหลับตาไปข้างหลังเหมือนคนกำลังชักจะตายอย่างนั้นแหละในขณะหลับตาอยู่ก็ช้อนสายตาขึ้นข้างบน โดยไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นตามพอตาค้างแน่นอยู่ความเห็นก็จะกลับไปข้างหลังแล้วก็ให้ความเห็นนั้นกลับเข้าข้างในพร้อมๆกับค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆชัดๆไปหยุดอยู่ที่เพดานปากนิฐานที่สและบริกรมรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้ง จึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายสายสว่างนั้นลงไปหยุดอยู่ที่ปากช่องลำคอเหนือลูกกะเดือกนี่ฐานที่ห้าตั้งเครื่องหมายไว้นิ่งอยู่ที่ปากช่องลำคอนั่นแหละพร้อมด้บริกรมรมภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังแบบเดิมอีกแล้วค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นลงไปตรงๆช้าๆ ตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกเหมือนกับเรากลืนดวงแก้วลงไปในท้องอย่างนั้นแหละลงไปหยุดนิ่งอยู่ตรงสุดลมหายใจเข้าออกตรงระดับสะดือพอดีนี่ฐานที่หกแล้วบริกรรมพวนาประคองเครื่องหมายไว้เรื่อยจนเห็นเป็นดวงกลมใสชัดขึ้นแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายนั้นขยับสูงขึ้นมาตรงตรง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 จะเข้ามรดผลนิพานก็ต้องเข้าที่ศูนย์นี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็จงทําใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางนี้ทีเดียวซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนนอกใหม่ไม่ไปทางนั้นเข้ากลางของกลางกลางของกลางกลางกลางนิ่งแน่นหนักขึ้นเพราะถูกส่วนเข้าเท่านั้นเห็นดวงใสเแจ่มมันเกิดขึ้นเท่าดวงไข่แดงของไก่อย่างเล็ก เทาดวงดาวแนากาศอย่างโตเห็นเท่าดวงจันดวงทิศเลยทีเดียวดวงธรรมที่เห็นนี่แหละเป็นหนทางเบื้องต้นไปสู่มรรคผลนิพพานจึงเรียกว่าดวงปฐมอมม ะ, มะทีมีจะไปได้อย่างไรละ่ะท่านจะได้ทราบในลำดับต่อไปเมื่อเห็นดวงสแจมมาเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลิกปริกรรมภาวนาได้ ทีนี้รวมใจให้หยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางดวงนี้แหละจะเห็นที่หมายเป็นจุดเล็กใสต่อปลายเข็มให้วางใจหยุดในหยุดลงไปที่ศูนย์กลางนั้นเพราะถูกส่วนเข้าดวงสายเดิมนั้นก็จะว่างหายไปแล้วก็จะเกิดดวงใหม่ขึ้นมาอีกใสละเอียดหนักยิ่งกว่าเก่าก็ให้น้อมใจหยุดนิ่งลงไปที่ศูนย์กลางดวงใหม่นั้นอีก เมื่อใจสงบหยุดนิ่งดีแล้วสาธุชนก็ตั้งจิตอธิษฐานน้อมนึกบุญกุศลที่เราได้ประกอบบาเพ็ญมาดีแล้วอุทิศให้แก่สรร พ, พสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณทั้งเจ้ากล่อมนายเวรทั้งหมดรวมถึงบูชาพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เตรียมตัวไหว้พระเองสำหรับรายการธรรมสู่สนติในวันนี้ก็หมดเวลาหลวงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้ขอเสด็จทุกสูตรรวภัย ผู้มีอาลัมามยมั่นขันยืนเจริญรุ่งเรืองในพุะสัทธรรมแห่งองค์สุเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาล น, นานนี้